มีอยู่เพลงนึ่งจริ ง, รงๆแล้วเป็นเพลงไม่สำคัญภาค2นะครับมีโอกาสเอ า, เอาไว้ในอัล บ, บั้มอะคูสติกูเป็นเพลงที่เขียนจากเรื่องจริงในปี2000นนะครับก็หลายๆคนอาจจะเคยโดนนอกใจบ้าง ไม่มีใครรู้ทั้งที่ยังมีฉันอยู่แต่เธอก็ไปเธอก็ไปใครแต่ใครไม่มีทางรู้ลึกๆข้างในนั้นเธอวันไววันไวเธอบอก What t h e seems เธอเท่านั้นไม่คิดเลยว่าสากวันอองเลิกกันอองเลิกกันเพียงอีกคนเข้ามาที่ลังเอาเธอเป็จากฉันใครจะรู้ใครจะรู้เธอบอกว่าเธอสิ ใจ I'm s a